นี่ตนับสู่ช่วงของการเป็นการพบกันอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันแล้วก็ๆย้ําๆ เรเรเรามีเพชรมินจินดาดีๆสวยๆเนี่ยแล้วเราเก็บไว้อย่างดีเราเปิดออกมาดูก็ทําความสะอาดขัดเก็บเช็ดถูไม่เอามา ด้วยการพูดคุยกันดีๆอดทนกันมีเมตตามีความ ก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอ่าในตอนนี้ เรื่องที่เป็นทางบวกอยู่ก็ได้เหมือนกันและคําว่า 4 อย่างนี้เกิดขึ้น ให้เป็นความอยู่ในปัจจุบันก็ได้เป็นความอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะเราใช้จิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยทําการพัฒนาให้ได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยในการพัฒนาเพื่อที่แบบ นักคือสมาธิภาวนาที่ทําแล้วทําเจริญแล้วทําให้มากแล้วน่าจะทํา 2 สมาธิภาวนา 3 คือสมาธิภาวนาที่เจริญ 4 สมาธิภาวนาที่ เอ่อจิตที่ 1 นะใน 4 ลักษณะนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจะ 1 จิตที่เป็น 1 พัฒนาในแบบไหนนะถึงจะทําให้เอ่อมีความ 1 พัฒนาในลักษณะไหนถึง 4 ท่าน ฌานทั้ง 4 ไล่ไปนะนะ 1 นะมีวิตกนะ 2 ก็ได้นะเพราะวิตกวิจารณ์คือไม่ 2 หรือว่าถ้าเรามีอุเบกขาอย่างเดียวนะแล้วก็อุเบกขา 3 แล้วก็ถ้าเราเอาความสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นออกไปด้วยเหลือ นะ, นะ, 4 นะถ้า 1 ที่ แต่จะไม่มีความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ทำใจให้เป็น 1 พัฒนาในลักษณะไหนถึงจะทําให้ได้ญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยญาณะนี่แปลว่าเอ่อความเค้าเรียก เนปุชะก็บอกว่าเอ่อจิตที่เป็นหนึ่งในลักษณะเนี้ยน่ะพัฒนานั้นกลางคืนฉันใด ในญาณที่เราบางหลายๆจิตมันสว่างสวยนะลักษณะการสว่างได้อันที่ 3 ที่อาจจะเป็นจิต 1 พัฒนาในลักษณะนี้ หรือว่าความตั้งอยู่หรือว่าความดับไปว่าความตั้งอยู่หรือว่าความดับไปและของเวทนาในที่คุณเป็น อ่ามีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นได้ต่อไปความที่จิตว่าเป็นหนึ่งใน ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสัญญาแน่ๆนิ่งๆอย่าง แม้แต่มือเราสายมือเรากระตุกนะตัวเราวิ่งอยู่มันหญิงไม่แม่นหรอกนะเราต้องๆนะนิ่งๆ อาสวะเนี่ยสิ้นไปได้การสิ้นไปแห่งอาสวะก็คือหมายอย 4 อย่างนี้ 4 อย่างอย่างที่ว่านี้อย่างที่นั้น 4 อย่างนี้ เห็นความเกิดขึ้นความตั้ง 2 ในขัน 5 เหมือนกัน 5 ก็มีรูปสังขารวิญญาณเพิ่มขึ้นๆไอ้วิตกเนี่ยก็เป็นได้อย่างเงี้ยนะเราก็พวกเหเห 4 ขั้น 1 2 3 4 อัน นั่นก็คืออยู่ในเอ่อแวดวง นะอยากให้จิตต้องเป็นทั้ง bueno, นะ, 4 แบบเนี่ยมันจะไม่เป็นให้เลย นะ, นะทีนี้พอไม่ให้ความใคร่สัญญัติเกิดขึ้นๆเอเดี๋ยวฉันจะทําแบบไหนดีโอ้เดี๋ยวๆพัฒนาจิตลักษณะที่ให้มีสติๆเดี๋ยวๆตอนนี้อยากได้ ไม่ให้ทั้งไอ้ความกระสันอยากไม่ให้ทั้งความๆเนี่ยมันเกิดขึ้น นะเพื่อให้เราหายใจอยู่ได้นะเราหายใจได้เนี่ยตัวนี้จึงเป็นเครื่องที่ๆนะจิตเป็น 1 ละนะจิตของเราก็กลับมาอยู่ที่นี่ใช่มั้ยๆนะทําอย่างเป็นธรรมชาติ <elet> อ่าไม่ต้องเคร่งไม่ต้องบังคับเวลาเราปฏิบัตินี้เราสบายๆอ่าจริงเราเป็นสมาธิ ก็ 4 แบบนั่นเองแล้วก็เวลาๆนะทําๆทําย้ําๆทําบ่อยๆเนี่ยคือการทําให้เจริญนะคือบางคนจะฝึกป๊อบๆแป๊บๆแล้วเอ้อฉันทําไม่ได้เลิกนะไม่เห็นจริงเลยคําถามของ เอ๊ะมีทำไมมีแขนขาเอาลองใช้งานมันดูเอ้ยไม่ใช่ไปใช้ไปเอ๊ะมันไม่แปลกๆทำๆได้ในเช่น แล้วว่าๆแต่เพราะนั้นก็ให้มีความ